ที่เราทาั้งหลายมีศรัทธาจะตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติเกี่ยเกับการอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ได้มีพระธรรมปรากฏรู้เห็นเป็นถือพึ่งทางจิตใจของเราพระธรรมถึงแม้ว่าไม่ยิ่ง แต่ก็ยังไม่เป็นสมบัติของจิตใจถ้าพระธรรมยังเป็นสมบัติของตาของหูของจมูกของลิ้นเราเนยอยู่พระธรรมเ่านั่งร้นแต่เป็นธรรมที่ไม่แท้เป็นธรรมที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่ยังไม่ได้ขัดเกลารเป็นธรรมสามารถที่ทําให้เรา ไม่ได้พบเห็นความจริงแต่เราได้ถูุกหลกลวงให้หลงไปตามอารมณ์ต่างๆที่สังขารมันปรุนขึ้นที่ตาเห็นและผู้ได้ยินเหล่านั้นเพราะกันเห็นด้วยตาเกิดความรู้ขึ้นมาหรือการได้ยินด้วยหู้ได้ความรู้ขึ้นมาใครๆก็มีตาใครๆก็มีหู หาเป็นความรู้ที่ได้เพียงแค่นี้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งทุกคนก็คงจะได้ความสุขอันสำคัญได้ความสุขติดต้มบลเวอริบูลได้แน่นอนเพราะจัดโลกตลอดถึงมนุษย์โลกใครๆก็รู้เพราะมีตา หรือใครๆก็เห็นเพราะมีตาใครๆก็ได้ยินกัเพราะมีหูใครๆก็ได้รู้เพราะมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจเต่การรู้ทาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้รู้ เยอเรียกว่ากุศนต้องไม่ใช่อาศายแต่ทางตาทางหูอย่างเดียวต้องอาศัยสติความระลึกชอบต้องอาศัยจิตที่มีความเห็นชอบ เลยรับการอบรมอบรมจากหลักการที่เรียกว่ารมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันชอบเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวาัสาดิธรรมที่ปวงชนชาวโลก ได้ศึกษาได้ยินแล้วรับรองว่าพระธรรมที่พระผู้นี้พระภาเจ้านั้นมันพงกล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยพร้อมด้วยทมพร้อมด้วยความสงบพร้อมด้วยความสุข หรือพร้อมด้วยว่ตกายวาจาใจเรียบร้อยไม่มีขาดตกบกพรองเทวดาทุกชั้นก็ยอมรับสวาัสธรรมข้อนีู้คจรมีจิตยินดีเรื่มใสตั้งใจประพฤตปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์มกผล ได้ศรัทธาปัญญาวิมุติหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากต่อมากเพราะอาศัยหลักธรรมที่นำมาศึกษาและอบรมเราทั้งหลายก็เป็นคนชนชั้นปัญญาเช่นเดียวกันน่าจะยิบยกรื่องนี้เข้ามา ให้เป็นสมบัติของใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในใจของเราอย่างไว้หรืออยากพอใจที่เพียงตาได้เห็นหูได้ยินหรือทำความพอใจจิตใจว่าเราได้รู้แล้วความรู้ของเราเราได้ยังถูกหลอกได้ยังถูกเปลี่ยนแปลงได้ดัดได้ให้ได้ รับความไม่แน่นอนในจิตในใจให้พลาชาเสียทีได้รับความกระทอกระเุินใจดำ ม, มาภายหลังอยู่เสมอจากการเห็นจากการได้ยินหรือจากการตัดสินใจที่ผิดผิดอันนี้เราเคยพลาดชาเสียทีได้รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ ม า, มากเต็มมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเราปฏิเสธไม่ได้เราจรึงไม่สามารถชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการได้เราเห็นความไม่สมบูรณ์ในทางจิตใจในด้านความคิด และในการด้านคำพูดและในด้านการทำของเราเราจึงไม่สามารถที่จะรักษาความสนุหรือความสุขตามที่เราต้องการได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงยอมรับทำคำสอนที่ประพุทธเจ้าเริดเข้ามาช่วยเหลือ มาฝึกมาอบรมให้จิตใจมีที่ยึดมีสีพึ่งอย่าให้ตาเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าให้หูอเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าเอาเส้นอื่นไปใช้โดยส่วนเดียวให้เอาธรรมะเกี่ยวเนื่องที่เป็นสุสลรัคชอบธรรมะที่เราจะเอามาใช้นั่นคืออะไร ก็คือสีนสมาธิปัญญานี่เองเรามารักษาให้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตใจในส่วนของสีนใข้มันเด่นชัดของสีนว่ากำจัดอะไรได้บ้างขับทุกอะไรได้บ้างจากขับอุปจัก ในการความสงบสุดอะไรได้บ้างในเรื่องสินหรคุณประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีสินคอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราชีวิตที่อยู่โดยกายกระทํากายกรรมอย่างนี้วาจีอย่างนี้มันจะดึงเราไปในทางไหน จะพาเราไปไหนอันนี้คุณต้องเด่นชัดนักภาวนานักลูกศิษชาวพระพุทธทเียวครับลูกศิษย์ผู้รู้ไม่ใช่ผู้โม้เป็นลูกศิษย์ผู้รู้ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตนพระองค์ไม่ประมาทในชีวิตไม่ปล่อยเวลาให้รรไร้ศีรษะไป่ถือว่าเวลาแต่ละ ที่มันเคลื่อนไปทุกระยะหนึ่งทุกลหมหายใจเข้าออกหนึ่งควรให้ได้ประโยชน์ควรให้มีที่พึ่งควรให้อยู่โดยความรู้ความเห็นอันชอบไม่ควรมูวเมงลงไหลไปตามตาหรือจมูกเอาไปใช้โดยส่วนเดียวเราปล่อยให้ใช้ได้ตลอดการนานมาแล้วไม่ใช่พึ่ง เราจะเอามาใช้หรือมาหลงตามเฉพาะเดี๋ยวนี้เรายังจะตามอยู่ตลอดไปอย่างนี้หรือเราควรจะแก้ไขอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ต้องรับผิดชอบการรับษาวาจาเราก็ต้องให้มันเด่นชัดลงไปเรียกว่ารสาสักษาศีล สมที่ว่าที่เรียนในสุขติยจน์ติไม่ใช่กล่าวโดวยคำลอยลอยสรคุณในหลงเชื่อหลงปฏิบัติตามกล่าวด้วยปัญญาอันชอบออผู้ปฏิบัติก็ต้องรับรูรับเห็นด้วยปัญญาอันชอบเช่นเดียวกันจึงจะตรงกัน เ, ออเรียกว่าผู้ฉุก ป, ปฏิบันโนเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงไม่ใช่ มาปฏิบัติศึกษาโดยความหนงขวะดีก็ดีตาบวาชุดผิดก็ผิดตาอันนี้หลอกได้ง่ายจิตใจอยนในระดับนี้จิตใจต้องอยนในระดับรู้อันมั่นคงเห็นนาะมันแจ้งชัดจึงจะหลอกไม่ได้ในเรื่องสิง่ในเรื่องสมาธิก็ถ้ามันแจ้งชัดลงไปก็จัดอะไรได้มาก มีคุณประโยชน์อย่างไรอันนี้เราต้องเข้าใจเราต้องศึกษาโลสมมาสิถ้าเรารู้เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์แก่ตัวเราเองทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดและบริสุทธิ์จริงๆเพราะอารมณ์ที่เข้าสู่จิตนั้นสติมันเลือกมันตรองแล้วความเพียงเลือกมาแล้วสติ พยายามจะลึกเลือกมาแล้วทรงมาแล้วปัญญาพยายามกำจัดปัญญาในสมาธิที่สมาธิอบรมจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขความดีเวศอปัญญาส่วนนี้นะจะกาจัดกันความไม่สงบที่เคยได้รับทุกมาแต่กดเห็นโทษเห็นภยัย มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทําให้ถูกต้องให้ได้ความสงบใหได้ความสุขจากการกระทําและปฏิบัติสมาธิศรัทธาของเราความเชื่อเมื่อเราได้เห็นประจับในจิตใจแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องถามใครว่าสมาธิเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรอา น, นิสงส์สมาธิเป็นอย่างไร ไม่ต้องถาม่านก็รู้แต่จิตมันเข้าไปถึงแล้วแต่เราได้ปฏิบัติจริงๆได้มาใช้ปัญญาอันชอบนำมาใช้สติใช้ความเพียรของเราให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการดูจิตนั่นเอง เขาททั้งหลายที่เรียกว่าบาปก็ดีบุญก็ดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าปุญญาภิสังขารอุปญญาภิสังขารบาปบุญแล้วมันปุ่ขึ้นในจิตออกจากจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความชอบความเห็นชอบเข้าไปดูจิตเอาสติระลึกชอบเข้าไปอยู่ในจิต เอาความเพียรพยายามในการเลืกในการดูให้ต่อเนื่องไม่ลดละด้วยความพยายามอันชอบจิตก็ตั้งอยู่ในที่อันชอบไม่ไปที่อื่นเราก็ต้องย่อมเห็นความชอบที่มันเกิดอยู่ในที่นั้นมันเกิดมาจํานวนเท่าไหร่เราไม่เผลอเราไม่ได้มองไปที่อื่นเราก็เห็นต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเราอ่านหนังสือ ถ้าเราไม่ได้มองไปที่อื่นแล้วคิดไปที่อื่นเราก็จะได้ใจความตลอดเพื่อนแต่เราเผลอไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ความขาดบักขาดตอนไม่รู้เรื่องจากต้นชนปลายไม่ได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชั้นใด ก, การภาวนาก็เหมือนกันคาว่าจิตตั้งชอบก็ตั้งสมาธินั่นเองเข้ามาสมาธิก็กตั้งอยู่ในความ ที่เราเอาธรรมะขึ้นมาอบรมนั่นเองเช่นแบบพุโทโธเราก็ตั้งอยู่ในพุโทโธอันชอบแล้วหความเพียรก็เพียรในความรู้ลึกพุโทโธอย่าให้สูญหายไปที่อื่นให้มีอยู่ในทีนั้นสติก็เลยลึกรวมอยู่ในทีนั้นอย่าให้เพล่ไปที่อื่นเมื่อทําอยู่อย่างนี้เพี่ยนพยายามอยู่อย่างนี้ ของความจะเรียกว่าพีเลดม่นชอบหลอกให้เราหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติมันมีควาเพราะฉะนั้นปีเลสมันตั้งอยู่ไม่ได้มันหลอกไม่ได้เพราะกําลังเหตุจติตและสมาธิปัญญาที่จิตของเราได้นําเอามาประกอบเพื่อจะขับไล่จับตังของความสงุจสบตัวของความสุขออก แต่ก่อนแล้วเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรนิอุปการะแต่เมื่อเราศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดูแล้วสิ่งเหล่านี้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเอ ง, งเกิงเลสเก็ไม่มีตัวมีตอนออกจากที่ไหนอะไรมันก็ออกจากจิตเป็นนามของจิตที่อยู่ในจิต แต่มันจิตส่วนไหนที่มันคิดไปในทางที่ไม่ชอบมาทำแล้วไม่ได้ความรู้ความฉลาดนำทุกนาภัยมาสู่ตัวของเราความคิดด้วยจิตที่ดาริเหล่านั้นจะเรียกว่าที่เหน็ดไม่ใช่แบ่งแยกมาจากทางอื่นแต่มันมาจากทางอื่นส่วนมาก็มีอยู่แต่นั่น เราไม่ควรจะไล่ไปส่งนอกออกไปเราเพียงแต่ต้องการความสงบต้องการสมาธิเราก็ต้องมาตั้งอยู่เฉพาะไม่ต้องอยากรู้อย่าง อ, างอื่นเราเปเด็กไม่จากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่ไหนปาไหนเหมือนกับเราป่วยโรค ปัจจุบันใกล้จะตายแล้วเมื่อไปถามหมอว่ายามาจากไหนโรงงานไหนเอาอะไรมาปรุงมาแจงอย่างไดเมื่อจะไปไล่อยู่อย่างนั้นจ้องตายก่อนเราต้องเชื่อหมอแล้วก็กินยาสัรับทานยาตามหมอตามหลักวิชาการเที่เขาเคยรักษามาได้ผลมาแล้วชั้นใดก็ดีเมื่อเราจะปฏิบัติจิตใจให้สงบไม่ต้องไปไล่อะไรอยู่ที่ไหน ให้นวดเล่นการไล่การอยากรู้อื่นให้เกิดพุ่งสั้นไปเจ้าจิตไปตั้งอยู่ในพุโทโธก็ต้องการรู้พุโทโธส่วนนั้นว่าไม่ให้เผลอให้หอยู่ในจิตได้ที่เพิ่งตลอดเวลาอ น, นั่นแหลเป็นงานของเราเป็นจิตของเราที่ต้องทำํำหรือจะเอาดูลมหายใจหรือย่างไดยังหนึ่งล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทําไมจึงลมหายใจเป็นธรรม ก็เป็นรูปธระรมชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุดมอยู่ในกายของเรากายนี้ถ้าใม่มีลมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายเพราะเรารู้แล้วโดยเข้าใจแล้วเราเคยคิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพิ่จะหวนลมสาคัญอย่างไรเพียงใจเห็นในรู้เห็นเพื่ออบรมจิตไม่ใช่อบรมลอมเพื่อจิตของเราได้สงบได้ตั้งมั่นเท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยวกับการอยากรู้เรื่องทาตุขั้นอย่างอื่นเมื่อเวลาต้องการจิตสมกหรืจิตพักผ่อนหรือต้องการสติทำงานให้คลองแคล่วได้เป็นที่ได้ชนะความหลงเราก็ต้องเจอสติให้มันได้ทำงานในจิตของเราอย่างเป็นที่ให้ได้ความเพียรพยายามอันชอบทำงานความเพียรให้มีพลังเป็นสิตภาพอยู่ในจิตใจของเราอย่างเป็นที่เพราะ ความเพียนชอบสติดลึกชอบจิตตั้งชอบเป็นพลังอย่างสงคัญในทางกุศนจิตมีอนุภาพในการที่ต้องจับมางคือดิเลศความไม่ฉลาดในจิตใจให้หมดสิ้นไปมางคุดิเลดก็คือตัวความไม่ฉลาดของจิตความหลงของจิตความเลื่อน้อยเลิ่นเล่อของจิต เกิดที่ถูกหลอบไปตามในอารมณ์ต่างๆไม่จะได้ความสุขจากสิ่งภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแท้จริงนันก็เป็นไยเพราะเหตุใดสิ่งภายนอกเหล่านั้นล้วนแต่สังขานตั้งอยู่ในสภาพเรียบมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรบก็ไม่เที่ยง โสดภาคก็ไม่เที่ยงธรรมเหล่านั้นก็ล้วนแต่ธรรมเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงธรรมของเทียามาที่เป็นหลอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่โสกใจไม่ต้องไปคิด น, นึกผพืสร้างกําลังของเราให้เพียงพอสามารถไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้และเราจึงออกต่อสู้ได้สติของเรายังไม่มีสมาธิอย่างไม่มั่นคง อย่างนี้แล้วจะไปต่อสู้เขาไม่ได้หรอกผ่ายแพ้ย่อยยับเราเคยต่อสู้มายาวนานแล้วผ่ายแพ้มามากต่อมากแล้วเพราะถานชัยภูมิของเราไม่ดีคือสมาทิศของเราไม่ดีนั่นเองเสียค่าค่าสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเสียค่าต่อไปอีกเลยเมื่อไรเราจะรวบรวมกาลังของเรา คือศรัทธาให้มันมั่นคงเวริยะคือความเพียรชอบให้มั่นคงสติชอบให้มั่นคงสมาธิชอบให้มั่นคงปัญญาอันชอบมันมั่นคงนี่เป็นกำลังที่จะเอาชนะสิ่งที่หลวมติดของเราให้หลงไปตามอาเภอใจของเขา ขอใเราทางหลายพยายามตั้งใจดูดจิตดวงนี้ถ้าฝึก ด, ดีแล้วนําความสุขมาให้เสมอจิตตั้งแังดตั้งสุขขาวว่าห้จิตที่ฝึก ด, ดีแล้วนําความสุขมาให้ก่อนนี้พระองค์ทำมาแล้วได้สาเร็จความสุขมาแล้วแล้วมีพระอริยะสงฆ์ดาวกฒนอกจากพระองค์มีคนอื่นได้สาเร็จตามเป็นพยานดับถามพระองค์มา เป็นจำนวนมากต่อมากเราเมื่อเราฝึกให้ถึงฐานอันมั่นของเราก็จะได้เป็นพยายนแบบฐานของธรรมที่ปรากฏชัดในตัวของเราจะได้เปลี่ยนความเชื่อมสายยอมรับอวาสาาังขารโตพภควาตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวชอบแล้ไม่สงสัยออพระประจักษ์้นจิตใจของเราไม่เพียงแต่ได้ยิน ทางหูมันไม่ใช่เพียงเราจะได้เห็นในหนังสือไม่ใช่แต่เพียงได้ยินแต่ท่านพูดแต่ในใจหลักฐานที่ปรากฏชัดที่ใจยอมรับความจริงนี่เองใจจะมั่นคงไม่มีกิเลสถูกหลอกลวงได้ขอเราทั้งหลายพออยายามตั้งใจทำจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เรา ทำให้มันเด่นชัดไปเห็นชัดในเรื่องศีลตัวท่านให้มันชัดในเรื่องสมาธิให้มันชัดเรื่องปัญญาก็ให้มันชัดสมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มาแ ล, แล้วแล้ววิชาตัรหาที่ไหนจะมาปูงแต่งก็พบของชาติของเราได้อีกเพราะเราพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว การหาความอยากมันไม่ดีแล้วเพราะมันพอมันพอด้วยอาการอย่างนี้ไม่ใช่พอโดยเพราะความดิ้นรนฟุ่งร้านหามาสะสมด้วยอวิชิ ด, ด้วยวัตถุไม่มีพอโลกเขาทำมายาวนาแวนแพอด้วยมาดูจิตใจของเราท่านชัดเพราะฉะนั้นได้ยินมาฟังแล้วกำลังจดจำใบสดีนําไปใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่วันนี้ไปทุกเวลา คำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเคยคลั่งกาทุกข์โ<ม>เป็นใหม่เสมอเป็นนี้เพราะฉะนั้นเรใช้ได้ทุกการสถานที่รักษาไว้ให้มอยู่ในใจิตใจเสมอแต่เราก็จะได้ที่พึ่งอันเกษสที่พึ่งอันมง ค, คลอุดเราบรรูงสุดผู้ใดผู้ใดได้เขาพึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกทางปวงเพราะฉะนั้นจกนักไม่ไปตั้งใจภาวนาต่อ สมควรเปินเวลาแล้วินงเลิกเท่กัน